แนันทนสูตรว่าด้วยความยินดีเขาเพราะเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินญกะเศษรษฐีเขโกรงสาวัตถีครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าคนมีบุตร ย่อมยินดีเพระบุตรคนมีโคย่อมยินดีเพระโคเหมือนกันเพราะอุปธิทําให้นรชนยินดีฉะนั้นคนที่ไร้อุปธิจึงไม่ยินดีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคถาว่าคนมีบุตร ย, ย่อมเศร้าโศกพระบุตรคนมีโคย่อมเศร้าโศกพระโคเหมือนกัน เพราะอุปธิทำให้นรชนเศร้าโศกฉะนั้นคนที่ไร้อุปธิจึงไม่เศร้าโศกครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จากเราพระสุคตทรงรู้จากเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองนันทะสูตรที่แปดจบ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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สำปรายภพควรทํากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีภิกษุทั้งหลายคนที่มีชีวิตอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกินไปบ้างก็มีน้อยครั้งนั้น มารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่พระทับแล้วเด็กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่ามนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนยาวคนดีไม่ควรดูหมิ่นอายุนั้นเลยควรทำตัวเหมือนเด็กอ่อนที่คอยแต่จะดื่มนมฉนั้นความตายยังไม่มาถึงหรอกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาป จึงตรัสกับมานผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่ามนุษย์ทั้งหลายมีอายุน้อยคนดีควรดูหมิ่นอายุนั้นควรทำตัวเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้ศีรษะฉะนั้นความตายที่จะมาไม่ถึงไม่มีครั้งนั้นมานผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองปฐมมะอายุสูตรที่9ก้าจบ ทุติยอายุสูตรว่าด้วยอายุสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันเขตกรุงราชครืณนะที่นั้นเองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สำปรายาภพควรทากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์ สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีภิกษุทั้งหลายคนที่มีชีวิตอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกินไปบ้างก็มีน้อยครั้งนั้นมานผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าวันคืนไม่ล่วงไปชีวิตไม่ดับไปอายุหมุนตามสัตว์ทั้งหลาย ดุดโกงล้อหมุนตามทูบรถฉะนั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าวันคืนล่วงไปชีวิตเับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายสิ้นไปเหมือนน้ําในแม่น้ําน้อยสิ้นไปฉะนั้นครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่า พระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั่นเองทุติยอายุสูตรที่สิบจบวักที่หนึ่งจบ รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ตะโปกรมมะสูตร 2. นาคสูตร 3. สุภสูตร 4. ปฐมมะมาราปาสสูตร 5. ทุติยะมาราปาสสูตร 6. สัพปะสูตร 7. สุปฏิสูตร 8. นันทนะสูตร 9. ปฐมมะอายุสูตร 10. บ ทุติยอายุสูตร 2. ทุติยวัคหมวดที่สองหนึ่งปาสานสูตรว่าด้วยมานกลิงศิลาสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิจกูดเขตรกรุงราชครืสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจ้งในราตรีอันมืดมิดและฝนกำลังตกประปรายอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปต้องการจะให้ความกลัวความหวาดสะดุง่งความขนพองสยองกล้าวเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วกลิ่งศิลาขนาดใหญ่ลงไปในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าถึงแม้ว่าท่านจะกลิ้งภูเขาคิ้จกรูดมาทั้งลูกพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบก็ไม่มีความหวั่นไหวลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่า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 สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเจตวันอารามของอนาถปิญญกะเศรษฐีเตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณโคดมนี้มีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคโดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทหลงเข้าใจผิดเถิดลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าทำไมท่านจึงกล้าบันลือดุดราชสีในถ้ากลางบริษัทคนที่พอจะต่อสู้กับท่านได้ก็ยังมีท่านเข้าใจว่าเป็นผู้ชนะแลหรือ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถาว่าพระตถาคตทั้งหลายผู้เป็นมหาวีระบรรลุทศพลยาณข้ามตันหาอันเป็นเหตุสร้างไปในโลกได้แล้วจึงกล้าบรรเลในถ้ากลางบริษัทครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเอง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 สถานที่พระราชทานอภัยแก่หมูเนื้อเขตกรุงราชครึสมัยนั้นสเกตหินกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีทุกขเวทนาทางพระวรากายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทยัยได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้นไว้ได้ไม่ทรงเดือดร้อน ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังฆาติสี่ชั้นส่งสำเร็จสีหสัยยาโดยพระประตัตเบื้องขวาสงซ้อนพระบาทเหลือมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านนอนด้วยความซึมเศร้า หรือมัวเมาคิดกาบกลอนอะไรอยู่ประโยชน์ของท่านมีไม่มากท่านอยู่ณที่นอนที่นั่งอันสงัดแต่ผู้เดียวตั้งหน้าแต่จะหลับทำไมท่านยังหลับอยู่เล่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าเราไม่ได้นอนด้วยความซึมเศร้าทั้งมิได้มัวเมาคิดกาบกลอนอะไรอยู่หรอกเราบรรลุประโยชน์แล้วปราศจากความเศร้าโศก อยู่ณนะที่นอนที่นั่งอันสงัดแต่ผู้เดียวนอนคำนึงถึงสัตว์ทั้งปวงด้วยความเอนดูลูกสอนเสียบอกของชนเหล่าใดร้อยหัไทัยให้ลุ่มหลงอยู่แม้ชนเหล่านั้นในโลกนี้ทั้งทั้งที่มีลูกสอนเสียบอกอยู่ก็ยังหลับได้ทำไมเราผู้ปราศจากลูกสอนแล้วจะหลับไม่ได้เล่าเราเดินไปก็ไม่หวาดวันถึงหลับอยู่ก็ม่ได้กลัวเกรง กลางคืนและกลางวันไม่ทำให้เราเดือดร้อนเราไม่พบเห็นความเสื่อมอะไรๆในโลกฉะนั้นเราจึงนอนคานึงถึงสัตว์ทั้งปวงด้วยความเอ็นดูครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั่นเองสะกะลิกะสูตรที่สาจบ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 สมัยนั้นพระผู้มีประภาคมีคฤหัสน์บริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณโคโดมนี้มีคฤหัสน์บริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณโคโดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทหลงเข้าใจผิดเถิดลำดับนั้น มารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเดียกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านพร่ำสอนทำใดแก่ผู้อื่นทำนั้นไม่สมควรแก่ท่านเลยเมื่อท่านกล่าวสอนทำนั้นอย่าได้ข้องในความยินดียินร้ายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระสัมพุทธเจ้าทรงมีจิตเกื้อกูลอนุเคราะห์ทรงพร่ำสอนทำใดแก่ผู้อื่นตถาคต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 มานะสสูตรว่าด้วยบ่วงใจเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนนาตะบินิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีครั้งนั้นมานผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบ่วงนี้ที่ยวาไปในอากาศ มีในใจสัญจรไปอยู่เราจะคล้องท่านด้วยบ่วงนั้นสมณะท่านไม่พ้นจากเราไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราปราศจากความพอใจในอารมณ์เหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะซึ่งเป็นที่รื่นรมใจมารผู้กระทําซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้วลำดับนั้น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 ปัตตสูตรว่าด้วยเรื่องบาตรเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหานแกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาที่เกี่ยวกับอุปทานขันห้าภิกษุเหล่านั้นตางใสใจให้สาเร็จประโยชน์ น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโซดสดับรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะโคโดมนี้ทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาที่เกี่ยวกับอุปทานขันห้า ภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงียโซ ส, สดับธรมอยู่ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคโดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทลงเข้าใจผิดเถิดสมัยนั้นภิกษุเหล่านั้นได้วางบาส่วนใหญ่ไว้ในที่กลางแจ้งลำดับนั้นมารผู้มีบาปแปลงกายเป็นโคภริพัตเดินไปยังที่วางบาส ภิกษุรูปหนึ่งจึงบอกกับภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าภิกษุภิกษุโคพริพัทนั่นกำลังจะทำบาตแตกเมื่อภิกษุนั้นพูดอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่านั่นไม่ใช่โคพริพัทนั่นคือมารผู้มีบาปมาเพื่อลวงให้เธอหลงเข้าใจผิดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาป จึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าอริยสาวกย่อมเบื่อนายรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ของเราแม้มารและเสนามารแสวงหาอยู่ในที่ทุกแห่งก็ไม่พบอริยสาวกผู้เบื่อนายแล้วอย่างนี้ผู้มีอัตภาพอันกเกษมและล่วงพ้นสังโยชน์ทั้งปวง ลำดับนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองปัตตสูตรที่6จบเจ็ดอายตนะสูตรว่าด้วยอายตนะหก สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนกะูตคารสาลาป่ามหาวันเคกรุงเวสาลีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้ า, ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคะถาที่เกี่ยวกับภาษายตนะหกภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สาเร็จประโยชน์ น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงียโสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะโคดมนี้แหลทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแก ล, ล้ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคะถาที่เกี่ยวกับภาษายตนะหก ภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงียโซสะ ด, ดับทำอยู่ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคโดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทหลงเข้าใจผิดเถิดลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ร้องเสียงดังน่าสะพรึงกลัวประดุดแผ่นดินจะถลม่มในที่ใกล้พระผู้มีพระภาค ลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวกับภิกษุอีกรูปหนึ่งอย่างนี้ว่าภิกษุภิกษุแผ่นดินนี่จะถล่มทลายเสียละกระมังเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับภิกษุนั้นว่าภิกษุแผ่นดินนี้ไม่ถล่มหรอกภิกษุทั้งหลายนั้นคือมารผู้มีบาปมาเพื่อลวงให้พวกเธอลงเข้าใจผิด ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่ารูปเสียงกลิ่นรสโภทภะและธรรมรมณ์ทั้งสิ ն น, นี้เป็นโลกามิตรอันแรงกล้าชาวโลกพากันหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ส่วนสาวกของพระพุทธเจ้ามีสติข้ามพ้นโลกามิตรนั้น ทั้งข้ามพ้นบ่วงแห่งมารได้แล้วรุ่งเรืองอยู่ดุจ ด, ดวงอาทิตย์ฉะนั้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองอายตนะสูตรที่เจ็ดจบ บินทสูตรว่าด้วยเรื่องบินทบาทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะหมู่บ้านพราหม์ชื่อปัญจสาลาแควนมคตสมัยนั้นที่หมู่บ้านพราหม์ชื่อปัญจสาลามีงานนักขัตฤกษ์แจกของแก่พวกเด็กๆครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวร เสด็จเข้าไปบินธบาียังหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อปันจศาลาสมัยนั้นพราหมนักขหบดีชาวปันจัาลาถูกมารผู้มีบาเข้าดนใจด้วยประสงค์ว่าพระสมณโคโดมอย่าได้อาหารบินธบาดเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อปันจัาลาเพื่อบินธบาด้วยบาตรเปล่าอย่างใด ก็เสด็จกลับมาด้วยบาปเปล่าอย่างนั้นลำดับนั้นมานผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าสมณะท่านได้อาหารบินบาบดบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามานผู้มีบาปท่านทำให้เราไม่ได้อาหารบินบาตมิใช่หรือมานผู้มีบาปกราบทูลว่า ถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านพราหม์ชื่อปันจศาลาเพื่อบิณธบาตใหม่อีกครั้งข้าพระองค์จะกระทําพระผู้มีพระภาคให้ได้อาหารบิณธบาตพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามารขัดขวางตถาคตได้ประสบสิ่งมิใช่บุญแล้วมารผู้มีบาปท่านเข้าใจว่า บาปย่อมไม่ให้ผลแก่เราอย่างนั้นหรือพวกเราไม่มีกิเลสเครื่องกงังวลอยู่สุขสบายจริงหนอพวกเราจะมีปิติเป็นภักษาดุจเทพชั้นอาภสระฉะนั้นครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จากเร า, รร จ, า, เราจึงหายตัวไปณที่นั้นเอง ปินทสูตรที่8จบเก้ากัสกะสูตรว่าด้วยมารแปลงกายเป็นชาวนาเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวที สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหานแกล้วกล้าปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาที่ประกอบด้วยนิพพานภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโซสดับทำอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่า พระสมณโคโดมนี้ทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาฐานแกล้วแกล้วปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยนิพานทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณโคโดมถึงที่ประทับเพื่อลวงบริษัทให้หลงเข้าใจผิดเถิดครั้งนั้น มารผู้มีบาปจึงแปลงกายเป็นชาวนาแบกไถใหญ่ถือประตักด้ามยาวผมยาวรุงรังนุ่งผ้าเนื้อหยาบเท้าทั้งสองเปื้อนโคลนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะท่านเห็นโคพลิพัตบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามารผู้มีบาป ท่านต้องการอะไรเกี่ยวกับโครพริภัตทั้งหลายเล่ามานกราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะจากขุตาเป็นของเรารูปเป็นของเราอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากจากุสัมผัสความกระทบทางตาเป็นของเราท่านจะนี้เราไปไหนพ้นโซตะหูเป็นของเราสัทธะเสียงเป็นของเราคานะจมูกเป็นของเรา คันธะกลิ่นเป็นของเราชิวหาลิ้นเป็นของเรารสเป็นของเรากายเป็นของเราโพธะะสัมผัสทางกายเป็นของเรามโนใจเป็นของเราธรรมารมเป็นของเราอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากมโนสัมผัสความกระทบทางใจเป็นของเราท่านจะนี้เราไปไหนพ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่า มารผู้มีบาปจักขูเป็นของท่านรูปเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากจักขูสัมผัสเป็นของท่านโดยแท้แต่ในที่ใดไม่มีจักขุไม่มีรูปไม่มีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากจักขูสัมผัสที่นั้นไม่ใช่ทางดำเนินของท่านโซตะเป็นของท่านสัทธะเป็นของท่าน อายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากโสตสัมผัสความกระทบทางหูเป็นของท่านแต่ในที่ใดไม่มีโสตะไม่มีสัตยะไม่มีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากโสตสัมผัสที่นั้นม่ใช่ทางดําเนินของท่านคานะเป็นของท่านคันทะเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากคานสัมผัสความกระทบทางจมูกเป็นของท่าน ชิวหาเป็นของท่านรสเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากชิวหาสัมผัสความกระทบทางลิ้นเป็นของท่านกายเป็นของท่านโพธะะเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากกายสัมผัสความกระทบทางกายเป็นของท่านมโนเป็นของท่านธัมมารมทั้งหลายเป็นของท่าน อายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากมโนสัมผัสความกระทบทางใจเป็นของท่านแต่ในที่ใดไม่มีมโนไม่มีธรมารมไม่มีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากมโนสัมผัสที่นั้นไม่ใช่ทางดำเนินของท่านมานกราบทูลว่าชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดว่านี้ของเราทั้งยังกล่าวว่าของเรา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 จึงหายตัวไปณที่นั่นเองกาสะกะสูตรที่9จบ 10. ราชสูตรว่าด้วยมารอันเชิญพระผู้มีพระภาคให้เสวยราชสมบัติ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกระท่อมกลางปา่าในหิมวันตะประเทศแคว้นโกศลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าเราจะสามารถเสวยราชสมบัติโดยธรรมโดยที่ไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ทำให้เขาเสื่อมเองไม่ใช้ผู้อื่นทาเขาให้เสื่อม ไม่ทําเขาให้เศร้าโศกเองไม่ใช่ผู้อื่นทําเขาให้เศร้าโศกหรือไม่หนอครั้งนั้นมานผู้มีบาปทราบความรําพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคจงเสวยราชสมบัติเถิดพระพุทธเจ้าค่ะขอพระสุคตจงเสวยราชสมบัติโดยธรรม โดยที่ไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ผู้อื่นให้เบียดเบียนไม่ทำเขาให้เสื่อมเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เสื่อมไม่ทำเขาให้เศร้าโศกเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เศร้าโศกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามารผู้มีบาปท่านเห็นอะไรของเราทำไมจึงพูดกับเราอย่างนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคจงเสวยราชสมบัติเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ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 ตั้งไว้หนึ่งเนืองสั่งสมแล้วปรารบเสมอดีแล้วก็เมื่อพระองค์ทรงพระประสงค์พึงอธิษฐานภูเขาหลวงชื่อว่าหิมะพานให้เป็นทองคําล้วนภูเขานั้นก็เป็นทองคําล้วนได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสกับมารด้วยพระคาถาว่าภูเขาทองคําล้วนทั้งลูกถึงสองเท่าก็ยังไม่จุใจสำหรับบุคคลคนหนึ่ง บุคคลทราบดังนี้แล้วพึงประพฤติสงบผู้ใดเห็นทุกข์มีการเป็นต้นเหตุแล้วผู้นั้นจะพึงน้อมไปในกรรมได้อย่างไรบุคคลทราบอุปธิว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วพึงศึกษาเพื่อกําจัดอุปธินั้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจยว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคต ทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองรัชสูตรที่สิบจบวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งปาสานสูตร สสีหสูตร 3. สกะลิกะสูตร 4. ปฏิรูปรสูตร 5. มานะสะสูตร 6. ปัตตะสูตร 7. อายตนะสูตร 8. ปินทะสูตร 9. กกัสกะสูตร 10. ราชสูตร ตติยวัคหมวดที่สาหนึ่งสามพหุละสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูปข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นครศิลาวดีแคว้นสักกะสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาค ครั้งนั้นมารผู้มีบาปแปลงกายเป็นพราหมณ์สวมชดาใหญ่นุ่งหนังเสือเป็นคนแก่หลังโกงหายใจเสียงดังคลืดคร่าดถือไม้เท้าทําด้วยไม้มมเดือเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น ท, ที่อยู่แล้วจึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าบรรพชิตผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมดําสนิทอยู่ในวัยแรกรุ่นอันเจริญ แต่ไม่เพลิดเพลินในกามาคุณทั้งหลายขอพวกท่านจงบริโภคกรรมทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พวกท่านอย่าละกรรมที่เห็นเฉพาะหน้าวิ่งไปหากรรมทิพย์อันมีอยู่ตามการเลยภิกษุเหล่านั้นตอบว่าพรามพวกข้าพเจ้ามิได้ละกรรมที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากรรมทิพย์อันมีอยู่ตามการเลยแต่พวกข้าพเจ้าละกรมทิพย์ อันมีอยู่ตามกาลแล้ววิ่งไปหาธรรมที่เห็นเฉพาะหน้าพรามเพราะว่ากามทั้งหลายอันมีอยู่ตามกาลพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักส่วนธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยกาลควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อพิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมารผู้มีบาปจึงสั่นศีรษะแลบลิ้นทำหน้าผากให้ย่นเป็นสามรอยยันไม้เท้าจากไปครั้งนั้นพิกษุเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่ใกล้พระองค์ณที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีพราหมณ์คนหนึ่งสวมชดาใหญ่หนุ่งหนังเสือเป็นคนแก่หลังโกงหายใจเสียงดังครืดคราดถือไม้เท้าทำด้วยไม้มาเดือเข้ามาหาพวกข้าพระองค์ถึงที่อยู่ ได้กล่าวกับพวกข้าพระองค์ดังนี้ว่าบรรพชิตผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทอยู่ในวัยแรกรุ่นอันเจริญแต่ไม่เพลิดเพลินในกรมทั้งหลายขอพวกท่านจงบริโภคกรามทั้งหลา ย, อ, าลาลายอันเป็นของมนุษย์พวกท่านอย่าละกรรมที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากลรมทิพย์อันมีอยู่ตามการเลยเมื่อพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้ว พวกข้าพระองค์ได้กล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าพราหมณ์พวกข้าพเจ้าไม่ได้ละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลเลยแต่พวกข้าพเจ้าละกามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลแล้ววิ่งไปหาธรรมที่เห็นเฉพาะหน้าเพราะว่ากามทั้งหลายอันมีอยู่ตามกาลพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความขับแค้นมาก ในการามนี้มีโทษยิ่งนักส่วนธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วพราหมณ์นั้นสั่นศีรษะแลบลิ้นทำหน้าผากให้ย่นเป็นสามรอยยันไม่เท้าจากไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พิสุทังหลายนั่นมิใช่พรามนั่นคือมารผู้มีบาปมาเพื่อลวงพวกเธอให้หลงเข้าใจผิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัสพระคาถานี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดเห็นทุกมีการเป็นต้นเหตุแล้วผู้นั้นจะพึงน้อมไปในการมได้อย่างไรบุคคลทราบอุปธิว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้ว